โมหะเนี่ยเรารู้สภาวะให้ชัดเลยโมหะก็หายเออมันชัดนั่นอ่ะมันก็เป็นปัจจัยจึ่งกันแลวกันคอยสังเกตไปคอยรู้สภาวะมันผิดโมวัมวรั่วโมวัม ว, วรู้ไปก่อน วันหนึ่งมันก็ค่อยแยกออกไปอย่างจิดมัวมัวทำยังไงจะให้หายมัวคือไปทำเข้าสิให้มัวเ ก, ก่าอีกเวลามันมัวก็ดูไปจะตกลงบวดวันไหนนะอกนะำหนดแน่นอนอยังจะต้องไปจองไว้เลย ถ้าจองตอนนี้ท่านยังไม่ได้ไปธุระอื่นคิวเยอะคิวเยอะท่านแล้วเป็นอุปชาเนะ่คนก็นิมนต์ไปบวชที่น้นที่นี้ไห้สิ่ป้ามีอะไรถามไหมสามมาสามวันแนะ ก็อยู่ในโลกต้องคิดอย่างนั้นก็จะเจริญสติก็รู้ทันว่าชอบคิดอย่างนั้นอะไรเนี่ยถ้าเราเจริญสติเราก็รู้สภาวธรรม ที่กำลังตากอดอยู่กับโลกต้องวางแผนก็ต้องวางแผนงานเป็นงานเพื่อผลประโยชน์คนละอย่างกันอะไรนะ <c oughs> <c oughs> ก็รู้ทันเหมือนกัน ถ้ารู้ไปเรื่อยๆจะเห็นว่ามันเป็นภาระเป็นภาระทางใจต้องคอย น, นับแต่แก้ไม่ได้เราเห็นว่าเป็นทุกข์มากๆมัน ท, ทิ้งไปเองก็ความคิดมันเป็นภาระ <c oughs> กระทั่งบริกรรมพุโทโธพุโทโธนะปฏิบัติเบื้องต้นก็ว่าพุโทโธแล้วสบายพอเราฝึกมา ก, มากๆวุ้พุโทโธเหนื่อยเป็นภาระเป็นของแปลกปลองเป็นส่วนเกินรู้รู้เราไม่ต้องคิดต่อแนละ้วสบายกว่าแต่ว่าใจมันชอบคิดใจมันชอบคิดต่อครูบาอาจารย์ครวรจะคิดฟุ้งซ่านก็เลยให้มาคิดพุดโทโธซะ ก็ห้ามความคิดไม่ได้ในในจะคิดก็คิดในเรื่องที่ยังไม่เดือดร้อนคิดพุดโธไปพุโทโธไปเรื่อยคิดอยู่เรื่องเดียวต่อเนื่องไปแล้วสบายสบายเดี๋ยวสงบสงบแล้วรู้ว่าสงบพอรู้ว่าสงบแล้วกลับมาไปกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านความสงบก็ไม่เที่ยงนะ้ ความุ้งซ่านก็ไมเที่ยเนี่ยคอยดูไปเรื่อยๆหรืไม่กรรมฐ า, านะอะไรก็ได้ทําให้เป็นแล้วอะไรก็ได้เท้านั้นแต่ไปท่องพุทโธพุทโธเป็นสมถะนะแยกแยะใจให้ออกเพาเป็นความคิดไม่มีสภาวะรองรับแต่พอพุทโธแล้วจิตสงบเนี่ยเห็นความสงบของจิตใจมีสภาวะรองรับนะ่ ความคิดมนเหมือนฝันไปเลื่อนๆ ล, อ, นลอยๆไม่มีสภาวะมีศัสนาต้องมีสภาวะรองรับนะอะไรบางอย่ืงก็คือสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแต่มันทำให้มันหนักหากน จิตมันปรุงสร้างสังขารมันปรุงแต่งขึ้นมาปรุงปรุงไปทุกเลยถุกแล้วเนี่ยก็สังขารเป็นทุกข์อ่ะใหมันหมุนหมุนแล้วมีความสุขเองเลยไม่เป็นหรอกอนะนี่ถ้าใจ รู้ตรงนี้แล้วใจไม่ชอบมันไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบห้ามไม่ได้จะห้ามไม่ให้คิดห้ามไม่ให้นับเลยห้ามไม่ได้จิตเป็นอนัตตาแต่ว่ามันคิดมันนับไปแล้วโอ้เหนื่อยเป็นทุกข์เหนื่อยเครียดรู้ทันว่าเหนื่อยรู้ทันว่าเครียดอยากหายอยากให้มันเลิกนับรู้ทันว่าอยาก นี่ยคอยรู้ไปทีละขณะทีละขณะง่ีกแก้วมาหลายวันแล้วไม่ส่งกันบ้านเลยหนีไม่อยู่หลังชั้นทุกวันที่เป็นธรรมดาธรรมชาติถ้ามันจะคม แต่ไม่ใช่คมกริบเนยะถ้าคมกริบจนรู้สึกใจกระด้างกระด้างนี่มันผิดละเราเราสติของเรามากไปจิตใจที่เป็นกุศลจิตเนี่ยต้องอ่อนโยนนุ่มนวลเบาว่องไวถ้าเบาแล้วก็ไม่ไหวเบาแล้วซึมๆมีนก็ใช้ไม่ได้คมกริบเลยนะเหมือนคมอย่างรุนแรงนีไม่นุ่มนวลก็ใช้ไม่ได้ ค่อยๆสังเกตคือจิตใจที่ถูกต้องเนี่ยไม่ได้ทำขึ้นมาอย่างเราเผลอๆ อ, อยู่พอเราไปรู้ทันก็มันขึ้นมาเองอมันเกิดขึ้นเองตรงนั้นที่ไม่ได้จงใจทำขึ้นมาตนั้นมันจะมีความสว่างแวบออ ม, อ ม, มถึงแล้วขนานั่งอยู่อย่างนี้ีแ่เผลอไเนี่ยมันก็ูสว่าพไ ร, ร, รู้ว่ามันจจก็วาขึ้นมา เมื่อวานก็มีมาคนชื่อในบอยนักบอยเขาใช้ชื่อบอยเองเลยก่อนเนี่ยบอกว่าเอสแต่ก่อนเนี่ ย, อออนนยพอรู้ตัวนะมันปิ้งขึ้นมาเนละยใสปิ้งเลยนะจิตใจสบายมีความสุขแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกก็เฉยเฉยไม่ปิ้งแล้ อ, อทำไมมันไม่วาบขึ้นมามันมันชำนาญแล้วมันเคยชินแล้ว งั้นต่อไปมันไม่วาบขึ้นมามนต้องตกใจนะเพราะว่าวาบทั้งวันก็เวียนหัวเหมือนกันเลยแต่าหัดใหม่ๆนี่เวลาติ้งขึ้นมานี่แหมสบายตอนที่ทำานแล้วรู้ได้ดีแล้วเนี่ยกลับไปก็จะมีมีความสุขตั้งเจ็ดนปดันจะรู้สึกว่าเอง ก็หนุนก็เลยละลายคือจิตที่มันถูกต้องอ่ะมันมีเวทนาสองอย่างออุเบกขากับสมานัตเวทนาไม่มีความสุขก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยแต่มันมีความรู้สึกเปิดบางเรื่อยๆเลยนะขนาดว่าเรามีความหงุดิดใจเนี่ยัก็ยังเห็นความจิตด้วยความเปิดบางต้อาอย่างนั้นแหละมันก็ดีแต่แต่ก็ยังสงสัยที่ม กี่วันก็ได้ถ้ารู้สึกตัวถูกต้องมันก็เบิกบานอยู่อย่างนั้นแหละในขณะที่ว่าจะมีความอะไรกิจะเกิดหลวงพ่อเขียนไว้ในในเน็ตก็มีเยอะแยะเรื่องพวกนี้ยบอกว่าระหว่างที่กําลังทุกข์ร้อนอยู่นะความเบิกบานก็มี ใครจะนึกถึงนะในกองไฟมีจุดที่เย็นๆอีกมีจุดที่ไม่ร้อนขันที่กําลังน่วมไปหมดเนี่ยมีความเบิกบานอยู่ข้างในแต่ก็ไม่ได้ฝึกเพื่อเอาตัวนี้นะมันเป็นของมันเองถ้าฝึกเพื่อจะเอาตัวนี้ก็จะจงใจทำเรียนได้ของเก๋ความเบิกบานตัวนั้นมันเกิดจากการที่รู้สึกตัวขึ้นมา ถูกต้องเป็นธรรมชาติบิกบานแต่พวกติดสุขก็มีนะพวกที่ทำสมถามนยะสบายตลอดวันเลยแต่เจรินเรือนเคลิ่มเคลื่้นรู้สึกตัวอยู่แล้วจิตบิกบานอยู่ใช้ได้แต่กี่วันก็ไม่เป็นไรหรอกเคยกับชอบไปนั่ง เอาเอาเอาทำงั้นก็ได้แต่ต้องรู้ว่าเป็นสมถะมนี่ทำยินชินแล้วนึกว่าเป็นวิปัสสนาแล้วตายเลยมันเป็นการแก้อาการของจิตนี้เราต้องฉลาดที่จะรู้จักแก้อาการเหมือนกันในคราวจำเป็นเช่นเราอยากจะพักผ่อนไม่ใช่จะต้องจเจริญสติรวดเดียวเราเพื่อพุทธเจ้าสอนสติ ไอสอนออทั้งสมถะและวิปัสสนาท่านบอกทำที่ควรจะเลินคือสมถะและวิปัสสนาแต่ว่าไม่ใช่ทำแต่สมถะรูปเดียวแล้วหวังว่าจะเกิดปัญญาคนละเรื่อง น, นอย่างที่พวกเราชอบทำสมถะเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่ยไงเดี๋ยวก็เคาะใชเดี๋ยวเพ่งช่องว่างเดี๋ยวไปสังขานุสติดูรูปหลวงปู่า้าแล้วยิ้มเดี๋ยวทำอากาศกรสิน ต้องรู้อย่างว่าสมถะทาไปเพื่ออะไรเวลาไหนควรจะทำสมถะเวลาไหนควรจะเจริญปัญญาถ้าคิดว่าจะต้องทำสมถะให้แนบแน่นฟิดเปรี้ยไม่เสื่อมแล้วถึงจะไปเจริญปัญญาเ้วเข้าใจผิดสมถะก็เป็นของเสื่อมถ้าไม่เข้าใจตรงนี้อย่างสูงทีแรกก็นั่งเคาะจิตเจริญแล้วเจริญแล้วพอมันเสื่อม เสื่อมแล้วอ่ะอาหากรรมาฐานใหม่นั่งเพง่งเพง่งเพง่งเพง่เพงไปสงบสงบไปนานๆเสื่อมอีกแลวอวเปลี่ยนกรรมาฐานอีกและทําโดยหวังจะให้สงบนิรันดรไม่เข้าใจว่าธรรมะคืออะไรแท้จริงแล้วธรรมะพยายามสอนเราตลอดลแต่เราปฏิเสธตลอดอเช่นว่าเราข้อข้อไปจิตสงบข้อไปเรื่อยๆไม่สงบหรอก ธรรมะก็จะให้ความจริงให้เราดูว่าบังคับเขาไม่ได้นะจิตใจอะสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วก็สงบมี่พอเคาะไปแล้วสงบก็ว่าดีเคาะแล้ววันไหนฟุ้งซ่านาหากรรมาฐานใหม่มาทําอีกละให้มันสงบอีกสงบเพื่ออะไรถ้าเห็นว่าสงบก็ไม่เที่ยงฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงยึดไม่ได้เรื่อได้ปัญญาใจจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางของสังขาร งันเวลาเราจะปฏิบัตินะชาวพุทธจะทำอะไรเพื่ออะไรต้องรู้ตลอดนะไม่ใช่ทำอย่างไร้เดียงสาจะเข้าขายเหมือนคนตามบอดจูงคนตามบอดพากนไปลงเหวที่ไหนก็ไม่รู้สมถะเราทำเพื่อพักผ่อนมีสองอันนะสมถะอันนึงทำเพื่อพักผ่อนจิตใจอันนึงทำไปเพื่อส่งเสริมความมีสติสัมปชัญญะ ถ้านั่งเคาะแล้วให้สงบว่า ไ, ได้พักผ่อนไปดูฟ้ากว้างๆแล้วสติตใจสบายนี่พักผ่อนอถ้าจะทําเพื่อให้มีสติสมัยเชัญญยะจะทําอีกแบบเคาะไปจิตสงบรู้ว่าสงบก็ไปจิตหนีไปอยู่ที่อื่นลืมเรื่องการเคาะไปนะรู้ทันว่าหนีไปเคาะๆไปจิตเคริ้มลงไปรู้ว่าเคริ้มลงไปในที้สุดเราจะรู้เท่าทันพฤติกรรมของจิตในการทําสมถนะนะั้นแหะ ถึงกระทั่งเรารู้เท่าทันปฤติกรรมของจิตเช่นหายใจเข้าหายใจออกจิตอยู่ก็ลมหายใจก็รู้หายใจไปจิตหนีไปเที่ยวก็รู้หายใจไปจิตเคลิ้มก็รู้ไม่รู้อะไรไม่ใช่รู้ลมแต่รู้จิตอารมหายใจมาเป็นเหยื่อล่อเนี่ยสมถะชนิดนี้เกื่อกูลกับการปฏิบัติหลังจากนั้นพอตาเรากระทบรูปรูปที่ปรากฏทางตา ก, ก็แทนลมหายใจะ่ะจิตไหลไปอยู่ที่รูปรู้ทาน จิตหนี้ไปคิดต่อรู้ทันเนีย่ยตาไปกระทบรูปสาวตามดูเขาไปลืมตัวเองก็รู้ทนันไอ้นี่ก็คล้ายๆจิตที่หลงไปกับลมหายใจอนะตากระทบรูปสาวแล้วก็คิดใหญ่โอ๊ยทําไงจะจีบเขาได้นะคิดใหญ่มันก็เหมือนกับตอนที่รู้ลมหายใจแล้วก็แอบไปคิดอหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วยหัดไปเรื่อยในที่สุดเราก็รู้เท่าทานันจิตใจ รู้เท่าทันจิตใจแล้วแล้วก็ค่อยเจริญปัญญาต่อไปจะเห็นเลยว่าสุขทุกข์ปีชั่วเกิดระดับหมดเลยรูปทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับนะเช่นรูปที่หายใจเข้านี่ก็คนหนึง่งหายใจออกนี่ก็เป็นอีกรูปหนึ่งแล้วนะสิ่งที่ประกอบเป็นก้อนธาตุก้อนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีวัตถุบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วองค์ประกอบของมนะันะ่ะกินข้าวเข้าไปถ่ายออกไงดืนะ่มน้ำเข้าไป เหงอออกไปไนี้มีธาตุหมุนข้าหมุนออกรูปนี้ไม่คงทนเรียนไปถ้าจะเรียนเรื่องรูปจะเรียนเรื่องนามห้าตากระทบเปนนี้จิตยินดีกระทบเป็ น, นี้จิตยินร้ายเรียนไปนี่เรียนเรื่องตัวสังขารปรุงความยินดียินร้ายเรียนเรื่องจิตเวทนานปรุงสุขปรุงทุกข์ถ้าจะเรียนให้เห็นตัวจิตที่เกิดดับจะเรียนยังไงคอยรู้ทัน จิตไปเกิดทางตาก็รู้จิตไปเกิดทางหูก็รู้จิตไปเกิดทางใจก็รู้แทนอย่างนั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยรู้ไหมจิตเกิดอยู่สามอายตนะเดี๋ยวตาก็ดูใช่ไหมเดี๋ยวหูก็ฟังเดี๋ยวใจก็คิดสลับไปสลับมาจิตที่เกิดทางตาเกิดแล้วก็ดับมาเกิดทางใจแทนเกิดทางใจแวบหนึ่งก็ดับไปเกิดทางหูแล้วมาฟังเสียงเนี่ยจิตเกิดดับเกิดดับ บังคับได้ไหมบังคับไม่ได้จะเลือกเอาช่องเดียวได้ไหมเลือกไม่ได้แต่อยู่ช่องใจได้นะทําสมถะไว้อยู่คาอยู่ในช่องใจเนี่ยได้มันไม่จิตไหลไปทางใจรู้ไหมใช้อยตนะคือใจคิดเนี่ยฟังธรรมะสังเกตไหมเนี่ยเริ่มไปคิดทางใจแนละ้วเนี่ยจิตที่ที่เห็นทางตาดับไปเป็นจิตที่รู้ทางใจ จิตก็เกิดดับเกิดดับในที่สุดจะเห็นเลยว่าโอ้จิตก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของเกิดดับเนี่ยขันห้าล้นแสดงใจรักเหมือนๆกันหมดแหละขอให้ดูให้เป็นเท่านั้นแะลอดูเป็นแล้วก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีมาตั้งแต่แรกละไม่ใช่ว่าตอนนี้มีตัวเราแล้วปฏิบัติแล้วละความเป็นตัวเรานะนั่นข้าใจผิด มันไม่มีมาตั้งแต่แรกแล้วแต่มันหลงผิดว่ามี เ, าเพื่อล้างความเห็นผิดนั่นแหละตัวเนื้อแท้ของพุทธศาสนาถ้าจะพูดไปแล้วก็คือตัวสัมมาทิฏฐินั่นแหละคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือสัมมาทิฏฐิอันเดียวนั่นแหละเรา ล้วก็ท่านก็สอนให้เรามีเครื่องมือเจริญสติสัมปชัญญะรู้ไปรู้ไปเรื่อยในที่สุดเราก็ละความเห็นผิดละความเข้าใจผิดที่ท่านเรียกว่าละสัญญาวิปลาสอ่ะวิปลาสว่ามันเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนใชไหมนีไปทางใจใช้ใช้อยตนะทางใจ พอมาดูพอมาดูข้าวเขใช้จิตเกิดทางตานะเพราะฉะนั้นจิตมันเกิดดับอยู่ทางทาวารทั้งหนั่นแหละแต่ถ้ามันเกิดดับเฉยๆสักแต่รู้สักจะเห็นไปไม่ทุกหรอกแต่ถ้าเมื่อไรจิตมีตัณหาไปทางทาวารทั้งหกเคยเรียนแต่ตัณหา3ใช่ไหม มาตันหาเพระตันหาวิเพราะว่ตันหาลองไปเรียนเรื่องตันหา6กหนูมั่งรูปประตันหาตันหาในรูปจิตทะยานเข้าไปยึดรูปสัทธตันหาตันหาไปยึดเสียงจิตทะยานไปทางหูคันธตันหาทะยานไปในกลิ่นไปทางจมูกรสตันหาในรสอุตส่าตันหาตัวสุดท้ายคือธรรมะตันหา ขยานไปในธรรมารมไปทางใจตัวเนี้ตัวสมุทัยน่ะเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราดูตัณหาหกตัวเนี้ยก็ไปดูในสติปัฏฐานท่านสอนอริยสัจนะตัณหาท่านสอนลงมาตรงนี้ไม่ใช่แค่ตัวการมตะัณหาเพราะว่าตัณหาอันนี้ตัณหาในเชิงปฏิบัติเห็นไหมมันไหลไปทางใจและวเนี่ยมันมีมีธรรมตตัณหา หน้าที่ของเรารู้ทุกรู้ทุกคืคออะไรรู้รูปเสียงกลิ่นรสโัตว์พทะธรมารมณ์เนะ่ลาสมูทไทยรู้โดยไม่ไหลไปไม่หลงเข้าไปยึดไปถือมันเราจะเข้าใจความจริงวนะ่าอ๋อสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเราเลยรู้เสียงกลิ่นรสัพทะธรมารมณ์แล้วก็แก้ความเห็นผิด ไปแล้วแล้วถูกมันครอบงำด้วยอยากพูดแล้วนอะถ้ารู้ทันมันนะาำอยากพูดดับไปแล้วอมีเหตุผลอยากจะมีเหตุผลต้องพูดก็พูดไปเ อ, อ, อย่า๋ยไปคิดว่าต้องอยู่ใกล้หลวงพ่อถึงจะเห็น ที่ผ่านมาเราไม่เคยฟังธรรมะอย่างนี้แต่นี้เราเคยฟังแล้วเราก็เอาไปทำดูไปสังเกตดูอย่าว่าจะอยู่ใกล้หลวงพ่อแล้วจะเห็นธรรมะหรือไม่เห็นเกาะชายจีวรพระพุทธเจ้ายังไม่เห็นธรรมะเลยต้องดูเอาเองอย่าติดครูบาอาจารย์นะเพิ่งตนเองให้ได้เรามีศักยภาพ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต้องเชื่อมั่นเชื่อมั่นแต่ไม่ใช่ดื้อรั้นนะ <c oughs> ชาตินี้ไม่บรรลุใช่ไหมเพราะชาติคือขนาดเนี้ยขนาดจิตเนี้ยยังฟุ้สร้านอยู่ี่กําลังคิดว่าจะบรรลุไม่บรรลุแต่ชาตินี้ไม่บรรลุอ่ชาติต่อต่อไปอาจจะบรรลุ <c oughs> คูบาอาจารย์ไม่หัวเราเยอะหรอก <c oughs> หัวเราอย่างอ <c oughs> ินดูเจ้าไปทำเอาทำไมถึงอยากจบกิจในชาตินี้ล่ะาแย ไม่คิดจะมีภรรยาดีอีกหรือก็ยังไม้ว่ออ า, าอยา <c oughs> ดีนะแม่เขาหลวมตัวให้บวชนะ่ะบวชแล้วทราบซึ้งแล้วเราไม่สึกเขาห้ามไม่ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> เขาใช้ทุนแ <c oughs> ม่หนีไปทางใจนะ เนี่ยปัญหาแหละขยานไปทางใจเพราะงั้นหลักของการปฏิบัติเนี่ยให้รู้ทุกคือรู้ทั้งรูปธรรมนามธรรม ท, ที่กําลังปรากฏมันปรากฏทางไหนปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ น, นั่นเองแต่รู้โดยที่ต้องละสมุทยัยด้วยจิตต้องไม่หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ น, นั่นแหะไม่ทยานออกไปนั่นมันถึงจะเป็นสักแต่รู้สักแต่เห็น ถ้รู้ทุกข์ละสมุทยัยนี่โรดเหมือนก็แจ้งคือความพ้นจากทุกข์มันปรากฏปรากฏที่ไหนปรากฏที่ใจก็คือใจเนี่ยพอจิตของเราไม่หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยึดรูปธรรมนามธรรมความพ้นทุกข์มันก็เกิดอยู่ที่ใจใจไม่ได้ไปยึดอะไรเพราะฉะนั้นท่านถึงสอนบอกการรู้ทุกข์ละสมุทัยนะั่นแหะคือการ ทำให้นิรสแก้งใช่ไหม แค่สีแล้วลวนะเขียนอย่างตุลก็เขียนทางนันเลพานก็มีประโยชนนะ์คนไปอ่านแล้วสนใจปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นประโยชนนะ์แต่ถ้าคนไปคิดว่าทางนักเพานเป็นคู่มือการปฏิบัติก็ผิดล่นะนะถ้ามาเป็นจุดที่กระตุ้นให้เด็กรุ่นใหม่ๆสนใจอย่างนี้มีประโยชน์ มีการจะปฏิบัติจริงๆนี่ต้องเรียนรู้แล้วสมถะทำยังไงมีปัสนาทำยังไงเรียนรู้อะไรที่ถ้าเรามีพฤติกรรมทางใจที่เกินกว่าคาว่ารู้มีเวิร์บที่มากกว่ารู้นะไม่ใช่และว <c oughs> ไม่ใช่ของจริงลเช่นคิดเข่งน้อมไปตั้งท่าจงใจกําหนด เนี่ยมีเวริร์ที่เกินอยากรู้แล้วนี่คลัดเคลื่อนนะนะรู้ทันไหมจิตไหลไปทางใจนะมีธรรมะตัณหานะนีะ่นมันไหลไปทางไหนคอยรู้ทันนะมันเหมือนออปเปอรเตอร์รุ่นโบราณเด็กรุ่นนี้ไม่เคยเห็นเลยใคยดูหนังแบบโบราณนะที่ต่อโทรศัพท์เสียบช่องโน้นเสียบช่องนี้ ดึงสายนั้นเสียบสายนี้ในจิตในใจของเราเนี่ยมีอยู่หกช่องเนะี่ยเสียบไปเสียบมาตลอดเลยสลับสายตลอดเลยนะเดี๋ยวไปทางตาเดี๋ยวไปทางหูเดี๋ยวไปทางใจไปทางลิ้นนี่ไม่มากอะนะอะไรนะไม่ได้กลิ่นเ อ, อไม่เป็นไรเออปิดไปช่องไม่ได้ดีขึ้นนะ ไม่งั้นคนทวาร น, น้อยๆแล้วแปลว่าปฏิบัติดีไม่ใช่ไงั้นคนหูหนวกตาบอดก็กําไรนะอย่างเราเป็นภูมิแพ้เราไม่ได้กลิ่นหลวงพ่อก็ไม่ได้กลิ่นหรอกนะอย่างในในต้นไม้เยอะๆเลยในวัดเนี่ยสองคนนี้โอ้หอมหอมหลวงพ่อบอกว่ามันสวยนะแต่มันไม่หอมหรอก <c oughs> ไม่มีจมูกแต่ไม่ได้แปลว่าได้เปรียบนะเพราะว่า อารมณ์เนี้ยเกิดตลอดเวลาพอเราตัดทางจมูกไปแล้วก็ไปเพิ่มทางอื่นแทนเช่นทางตาดอกไม้มันสวยนะอีกคนหนึ่งเขาสวยสลับกับหอมเยอารมณ์เกิดเท่าๆกันแหละแต่เขาเกิดในสองช่องเราเกิดในช่องเดียวเพราะงั้นอารมณ์เท่าๆกันถ้าปิดทวานได้แล้วก็ตัดได้ปฏิบัติง่ายนี่นะพวกตาบอดหูหนวกลิ้นขาดแล้วก็เป็นโรคเลือนด้วย วุฒิปฏิบัติสบายเลยปิดอายตะนะห <c oughs> ้าไปแล้วเหลือใจอั น, นเดียวล้วนๆ <c oughs> ใจเดียวล้วนๆก็มีอารมณ์ตลอดเวลา <c oughs> สุขทุกขเฉย ๆ, ๆ <c oughs> เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่ว ร, ร, <c oughs> รู้ไหมไปทางไหนล <c oughs> แล้วเนี่ยรู้ทันแล้วเราจะเห็นแรงจิตเกิดกับ <c oughs> เดี๋ยวก็ไปเกิดทางใจเดี๋ยวก็ไปเกิดทางตา เ น, นี่ยก็เกิดทางหูเนี่ยจิตก็ ด, ดับตลอดบังคับได้ไหมว่าให้เกิดช่องนี้ไม่ใช้เจตนาดูออกไหมเขาสลับของเขาเองไม่ได้เจตนาทําเนี่ธรรมาร้วนๆเลยแสดงให้เห็นเลยว่าจิตเขาเป็นอนัตตาทํางานเขาเองไม่ได้บังคับเขาไม่ใช่ตัวเราที่บังคับได้เขารู้ลงไปอย่างนี้ ก็ต้องไปดูเอาจนใจมันยอมจำนวนกับข้อเท็จจริงนะไม่ใช่จำนวนได้ลอจริงอ่ะไงดีจะ น, นีทางไหนดีควานรู้ว่าควานนั้นลงทางใจทยานไปทางใจใช่เสือสนุกไหม